สาวาทวะ 3 เปสุนยะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าว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 ทะเลาะกันวิวาทกันคือฟังเรื่องข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อ ทรงประชุมสงฆ์ ด้วยเหตุนั้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิด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 แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าส่อเสียดคือ 1 แลต้องการให้ผู้ ภิกษุกล่าวซอเสด้วยอาการ 10 อย่างคือ 1 ชาติกําเนิดบ้าง 2 ชื่อ 3 ตระกูล 4 หน้า 5 ศิลปะ 6 ความ 7 รูป 8 กิเลส 9 อาบัติ 10 คําด่า ที่ชื่อว่าชาติกําเนิดได้ ชาติกําเนิดกษัตริย์ชาติกําเนิดพราหมณ์นี้จัดเป็นชาติกําเนิดสูงที่ชื่อว่าคําด่า หวังได้แต่ทุกขติเท่านั้นคําด่าที่กับการร่วมประเวณีหรือคําด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะของชายหญิงนี้จัดเป็นคําด่าหยาบที่ชื่อว่าคําด่าสุภาพได้แก่คําด่าว่าท่านเป็นท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราชญ์ท่าน นี้จัดเป็นคำด่าสุภาพจัดเป็นคําด่าสุภาพอุปสัมบันกล่าว 1 กล่าวสอเสียดด้วยชาติกําเนิดต่ําอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไป กล่าวส่อเสียดด้วยชาบกําเริบสูงอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแยอุปสัมบันว่าภิกษุชื่อทุกๆคําพูด 2 กล่าวส่อเสียดด้วยชื่อที่เลวอุปสัมบัน ท่านอวะกันนะกะท่านชวะกันนะกะท่านธนิตตะกะท่านสวิตถกะท่านกุลวทกะต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆคำพูดกล่าวส่อ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆคำ 3 กล่าวส่อเสียดด้วยตระกูลชั้นต่ำอุปสัมบัน อุบสัมปันฟังคําของอุบสัมปันแล้วไปกล่าวยุแย่อุบสัมปันว่าภิกษุพูด 4 กล่าวส่อเสียด แล้วไปกล่าวยุแยอุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่า ท่านเป็นคนเลี้ยงโคต้องท่านเป็นช่างจักสารปาจิตติทุกท่านเป็นช่างหนังคำ ต้องอาบัติปาจิตติทุกๆคำพูดกล่าวสอเสียด้วยศิลปะวิทยาชั้นสูงอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าว อุปสัมบันฟังคําภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นโรคเรื้อนท่านเป็น ท่านเป็นโรคเบาหวานต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆคำพูด 7 กล่าวส่อ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆคำพูดกล่าวส่อเสียด 8 กล่าวสอเสียดด้วยกิเลสอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้ว ภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นผู้ว่าภิกษุชื่อ ท่านต้องอาบัติสังฆาธิเสสท่านต้องอาบัติทุลัจัยท่านต้องทุกๆคำพูดอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วว่าภิกษุ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกอุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านโคท่านลาท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุขติ ต้องอาบัติปาจิตติทุกๆคำพูดกล่าวส่อกล่าวยุแยอุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นบัณฑิตคนฉลาดท่านเป็นนักปราชญ์ท่าน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆคำพูด 1 กล่าวส่อเสียดด้วยชากำเนิดชั้นต่ำอุปสัมบันฟังคำ ต้องทุกๆคําพูดกล่าวส่อเสด้วยชากําเเนื่อชั้นว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่า กล่าวสอเสียดด้วยคำด่าสุภาพอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกดทุกๆคำพูด 1 กล่าวส่อเสียด้วย ทุกๆคำพูด 10 กล่าวซอเสียด้วยคำด่าสุภาพอุปสัมบันฟังภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าภิกษุพวกใด ต้องอาบัติทุกกดทุกๆคำพูด 1 กล่าวส่อเสียด้วยชากำเนิดชั้นต่ำอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบัน เสกล่าวสอเสดด้วยคําด่าสุภาพอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแยอุปสัมบันว่าต้อง เป็นอาบัติตามวัตถุอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแยอุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุก แล้วไปกล่าวยุแยอนุปัสสัมปันต้องอาบัติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 แล อาทวะ 4 ปทะโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยบทบทเรื่องพระชะภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระบท อุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะพวกภิกษุชาภคีพวกอุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะสม จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรง ไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายจริงหรือผู้ภิกษุชาภคีทูลรับ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 นี้ที่พระผู้มีพระนอกนั้นชื่อว่าอนุปัสสัมปันที่ชื่อ กล่าวเป็นอนุอักขระกล่าวเป็นอนุพยัญชนะที่ชื่อว่า รูปแล้วหยุดที่ชื่อว่ากล่าวเป็นอนุพยัญชนะบทอนุบทอนุอักขระอนุพยัญชนะทั้งหมดนี้ชื่อว่าทําเป็นบท เทวดาภาสิตที่ประกอบด้วยอัต ต้องอาบัติปาจิตตีย์อนุปัสสัมปันภิกษุไม่แน่ใจสอนให้กล่าวทำ อุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจสอนให้กล่าวทำคือ 1 ภิกษุผู้เรียนพระ 2 ภิกษุผู้สาธยายพร้อมกัน 3 ภิกษุผู้ช่วยอนุปัสสัมปัน 4 ภิกษุผู้ให้ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุต้น ทวะ 5 สหเสยว่าด้วยการนอนร่วมกันว่าด้วยการนอนสมัยนั้นพวกอุบาสกมาฟังธรรมที่อารามกันพระภิกษุเทระทั้งหลายกลับไปที่อยู่ พวกภิกษุบวชใหม่นอนร่วมกันกับอุบาสกในโรงชั้นขาสติสัมปชัญญะปลือกายละเมอกรณผู้ จึงพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าไฉนเล่าครั้นภิกษุเหล่าๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุ